แต่ไม่ค่อยมีคนแวะพักมากนักเนื่องจากมาถึงชั้นนี้ก็อยากลุกให้ถึงชั้นยอดเพื่อทอดทัศนาความงามอันลือเลื่องบนนั้นเร็วๆฉันเป็นคนเลือกใต้ร่มไม้ใหญ่ที่มีพื้นกว้างพอจะนั่งสบายๆทั้งสองคนเป็นตำแหน่งปลอดสายตาแม้ไม่ถึงกับรับเหลี่ยมมุมบงังแต่คนผ่านทางส่วนใหญ่ถ้ามองแบบไม่สนใจก็ไม่เห็นว่ามีคนนั่งอยู่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 เพราะถ้าอยากเดินขึ้นยอดน้ำตกแล้วไม่รู้จะไปชวนชั้นที่ไหนธรรมชาติช่วยให้จิตใจปลอดโปรง่งเหนียวน้ำให้กลับสงบได้เร็วอาจบวกกับแรงอธิฐานมุ่งมั่นจะชักจูงหวานใจมหัดสมาธิด้วยพอตามรู้ลมหายใจเข้าออกโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงเพียงห้านาทีกระแสจิตก็สงบลงและเปิดแผ่ออกในลักษณะปล่อยวางเป็นความปล่อยวางในลมหายใจ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 นึกถึงคนรักและอธิษฐานว่าขอเธอจงสนใจใครทําสมาธิให้สงบได้แบบฉันบ้างอีกครู่หนึ่งฉันก็เปิดเปลือกตาขึ้นสมหวังในเบื้องต้นเมื่อพบว่าคนรักกำลังจ้องมองตาแป๋วมีแววสนเทและสนใจใครอยากรู้ผิดไปกว่าเคยเธอบอกว่าไม่นึกเลยหลายปีผ่านไปฉันมีรสนิยมแบบฤาษีไปได้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 ในลองสอนให้ทำบ้างสิฉันดีใจจนตาเป็นประกายอำนาจอธิษฐานโน้มน้าวใจเธอสำฤทธิผลแล้วขั้นต่อไปคือสอนเธออย่างเป็นขั้นเป็นตอนฉันจะถ่ายทอดสมบัติภายในทุกชิ้นให้กับเธออย่างไม่หวงแหนไว้แม้แต่น้อยเริ่มต้นที่คิดว่าง่ายสุดสําหรับเธอคืออธิบายเรื่องจิตปกติของคนเราโอนเอ็งไปทางคิดคิดคิด เรียกว่าฟุ้งซ่านพอไม่มีอะไรจะคิดก็เหมือลอยไม่รู้ตัวว่ากำลังมีเรื่องใดปรากฏอยู่ในหัวบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้าว่ากระทําการหรือตัดสินใจเลือกอะไรไปเพราะเหตุผลชนิดไหนการปล่อยให้ฟุ้งสลับกับเหมืออย่างปราศจากเครื่องเกาะของสตินั้นคือความสูญเปล่าและนำมาซึ่งทุกันไม่อาจพยากรณ์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 และเป็นเหตุให้คลื่นความคิดปุ้งสร้านเข้าแทรกแซงง่ายหรือไม่ก็โงกง่วงไหวฉันจึงขอให้ระบายลมออกยาวและหายใจเข้ายาวเป็นระยะระยะเพียงจับสังเกตด้วยตาเปล่า ว, ว่าลมหายใจใครกําลังเข้าหรือออกกําลังยาวหรือสั้นเพียงซักสองสามระลอกลมแค่นั้นเราก็จะเริ่มเห็นความรู้สึกของเขาแล้วว่ากําลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ กำลังหดหูหรือฟุ้งซ่านคลื่นจิตที่มาประกอบพร้อมอยู่กับแต่ละลมหายใจจะถูกรู้ได้ด้วยสติของเราอย่างชัดเจนเราวกับเห็นกลุ่มหมอกควันเข้มขึ้นหรือจางลงหากฝึกจนชำนาญแล้วแม้ไม่เห็นหน้าก็บอกได้ว่าใครกำลังหายใจสั้นหรือยาวคลื่นจิตกำลังเปิดสบายหรือขมวดแน่นหดหูหรือฟุ้งซ่าน